นานมานี้ผมกำลังจะเดินทางไปที่เชียงใหม่จองเครื่องบินเที่ยวที่ออกจากกรุงเทพเวลาหนึ่งทุ่มนาทีวันนั้นฝนตกตั้งแต่บ่ายรถติดกันทั่วกรุงเทพแถมวันนั้นยังเป็นวันศุกร์สิ้นเดือนซะด้วยสิพอเลิกงาน4ี่โมงครึ่งผมก็รีบเรียกรถแท็กซี่จากที่ทำงานไปยังสนามบินดอนเมืองไปก่อนเวลานานๆเพื่อให้แน่ใจว่าไปทันเวลาเครื่องบิน พอออกมาจากที่ทํางานที่ถนนสีอยุธยาก็ปรากฏว่ารถติดตั้งแต่หน้าโรงพยาบาลดรามาธิบดีผมนั่งอยู่เฉยๆนานเข้าก็หาเรื่องคุยกับคนขับรถแท็กซี่เพื่อฆ่าเวลาคนขับรถคันนั้นอยู่ในวัยกลางคนพูดจาสุภาพเรียบร้อยโดยเราเริ่มสนทนากันจากเรื่องของการทํามาหากินระยะนี้แย่ครับยิ่งค่าน้ํามันแพงแบบนี้วันนึงหากค่าเช่าค่าน้ํามันแล้ว เหลือไม่ถึง200เลยบางวันก็ไม่ค่อยคุ้มทุนครับโชเฟอร์ตอบคำถามของผมแล้ววันนี้คุ้มทุนหรื อ, อยังครับผมถามเพิ่งรับคุณเป็นเที่ยวแรกนี่แหละครับผมขับกะเย็นผมคุยกับคนขับรถแท็กซี่คันนั้นต่อจนได้รับความรู้ใหม่ว่าการเช่ารถแท็กซี่นั้นเขาเรียกกันว่าเป็นกะมีกะกลางวันกับกะกลางคืนกะกลางวันจะออกราวๆตี5้าแล้วก็ส่งรถให้กะต่อไปในช่วงราวๆสี่โมงเย็น บางทีก็ก่อนหรือว่าหลังนั้นเล็กน้อยแล้วแต่จะมีการตกลงกันก่อนส่งรถเป็นหน้าที่ของคนขับรถกะนั้นจะต้องเอารถไปล้างให้สะอาดทั้งภายนอกและภายในเติมน้ํามันให้เต็มถังก่อนที่จะส่งให้คนขับกะต่อไปคนขับรถคันที่ผมนั่งขับรถกะกลางคืนมาตลอดแล้วทําไมไม่ลองเปลี่ยนไปขับกะกลางวันบ้างล่ะครับผมแนะนําคิดว่ากลางวันน่าจะมีผู้โดยสารมากกว่าตอนกลางคืน ผมขับรถตอนกลางคืนมาจนชินแล้วครับอีกอย่างหนึง่งกลางวันเนี่ยผมก็ต้องช่วยภรรยาผมขายของทำงานทั้งคืนทั้งวันแบบนี้แล้วเอาเวลาไหนไปนอนพักผ่อนล่ะครับผมแปลกใจก็นึกนิยมโชเฟอร์คนนี้ว่าเป็นคนสู้งานหนะักทำงานทั้งกลางวันทั้งกลางคืนผมเลิกตอนตีสีตีหส่งรถเสร็จก็นอนครับประมาณสัก10โมงถึงจะลุกไปช่วยเขาจนบ่ายผมก็กลับมาพักผ่อนอีกรอบนึงตอนเย็นก็จะออกรถ ตอนนั้นรถผ่านสี่แยกตึกชัยมาแล้วถนนเลียบคลองประปาขาออกหนาแน่นไปด้วยรถยนต์ติดกันเป็นแพรถึงโรงกรองน้ำสามเสนแล้วคุณขับรถตอนกลางคืนแบบนี้เนี่ยไม่กลัวพวกจี้พวกป้นบ้างหรอครับผมถามด้วยความอยากรู้ระยะหลังอ่านข่าวหนังสือพิมพ์แล้วเห็นข่าวจี้รถแท็กซี่กันบ่อยโชเฟอร์นิ่งไปครู่หนึ่ง ก็กลัวครับแต่ทำยังไงให้ได้เรามันคนทำมาหากินถ้ากลัวก็อดตายกันละครับสมัยนี้ก็ต้องคอยระวังตัวกันเอาเองแล้วมีวิธีระวังตัวยังไงอ่ะก็มีไม่มากละครับสังเกตดูผู้โดยสารถ้าดึกมา ก, กเรียกให้ไปที่เปลี่ยวเปี่ยวเราก็ไม่ไปหรือถ้าเข้าซอยลึกๆเราก็ปฏิเสธลักษณะคนโดยสารเนี่ยสำคัญนะครับคนขับแท็กซี่อธิบายแล้วอย่างผมละครับอ๋ออย่างคุณนี่ไม่ใช่พวกจี้พวกปล้นหรอครับ การพูดจาก็ไม่น่าจะใช่เพราะว่าผมเคยเจอมาเหมือนกันพวกนี้จะนั่งเงียบๆชวนคุยก็ไม่คุยคนขับเล่าต่อว่าเคยมีผู้โดยสารชายหญิงสองคนเรียกให้ไปส่งแถวพระประแดงตอนดึกลักษณะผู้ชายสองคนนี้ไม่น่าไว้ใจแต่ว่าเห็นผู้หญิงมาด้วยก็คงจะไม่ใช่คนร้ายขณะนั่งมาในรถคนขับก็พยายามชวนคุยเท่าไหร่ก็นั่งเงียบคนขับเห็นท่าไม่ดีพอ ร, รถผ่านป้อมตำรวจก็เลี้ยวพื้นลงไปจอดหน้าป้อม พวกบนรถไหวตัวเปิดประตูรถออกจะวิ่งแต่ไม่ทันตำรวจขอค้นตัวพวกนั้นเจอมีดกับปืนครบมือผมนึกขึ้นมาทีไรก็เสียวหัวใจทุกทีเลยครับคนขับรถพูดแล้วเคยเจอผีบ้างหรือเปล่าล่ะผมได้ยินว่ารถแท็กซี่บางคันเนี่ยมีคนเรียกตอนดึกๆให้ไปส่งพอผู้โดยสารขึ้นมานั่งบนรถนั่งมาสักพักนึงก็หายไปโชเฟอร์หัวเราะ เคยฟังแต่เขาเล่ามานะครับแต่ที่ผมเคยเจอกับตัวเองนีมันไม่ใช่แบบนั้นรถมาถึงข้างสวนจตุจักรหน้าตลาด อ, อตกอฝนตกลงมาอีกระลอกใหญ่รถยังคงติดกันเป็นแถวยาวเราขยับไปได้ช้าๆผมยกมือขึ้นดูนาฬิกาเพิ่งจะห้าโมงสิบห้ารู้สึกสบายใจว่ายังมีเวลาเหลือเฟือกว่าเครื่องบินจะออกคนขับหยิบผ้าผืนเล็กๆข้างที่นั่งมาเช็ดกระจกด้านในที่เป็นฝ้าคุณไปเครื่องกี่โมงครับ คนขับคงเห็นผมดูนาฬิกาขอให้ถึงก่อน6โมงครึ่งกันละกันผมบอกถ้างั้นทันแน่ครับเดี๋ยวขึ้นโทเวไปแล้วก็คงจะไปได้เร็วละครับคุณอยากฟังเรื่องของผมไหมล่ะเดี๋ยวผมเล่าให้ฟังผมยังไม่ทันจะพูดอะไรคนขับก็เล่าต่อว่าตรุจจีนที่ผ่านมานี่เองวันนั้นเป็นวันที่เขาเรียกว่าวันจ่ายก่อนวันไหว้วันหนึง่งตอนนั้นตีห้าแล้วผมกาลังจะไปส่งรถให้กะเช้า พอผมผ่านหน้าตลาดวงเวียนใหญ่ก็มีผู้หญิงเรียกให้ไปส่งที่โรงเจแถวตลาดภูที่จริงถึงเวลาที่ผมจะต้องรีบไปส่งรถแต่ผมเห็นว่าเป็นทางผ่านอยู่แล้วก็เลยตกลงผู้หญิงคนนั้นเป็นคนจีนถือตะกร้ากับข้าวแล้วก็ของพรุงพรังเดินขากระเพลกขึ้นรถมานั่งเฉยเฉยไม่พูดไม่จาผมไปถึงหน้าโรงเจตรงนั้นเนี่ยเป็นเป็นศาลเจ้าใหญ่ยังไม่สว่างร้านค้าแถวนั้นก็ยังไม่เปิดพอรถหยุด เยซิมที่นั่งมาบนรถเนี่ยก็เปิดประตูลงไปทำท่าจะเดินเข้าประตูโรงเจหน้าตาเฉยผมก็เรียกแกบอกว่าค่าโดยสาร37บาทแกหันกลับมาบอกว่าไม่มีสตังค์ซื้อของไหว้เจ้าหมดแล้วผมนึกฉุนขึ้นมาในใจตั้งใจว่าจะด่าเยซิมนั่นไม่มีเงินแต่ดันมาเรียกรถผมมานึกอีกทีนึงว่าเป็นคนแก่แล้ววันนั้นก็เป็นวันมงคลของคนจีนผมเองก็ลูกจีนเหมือนกัน เขาถือกันว่าวันนั้นไม่ควรด่ากันอีกอย่างหนึง่งวันนั้นผมหาเงินได้มากหากค่าเช่าค่าน้ำมันรถแล้วก็ยังเหลืออีกเกือบ700รผมนั่งฟังโชโฟเฟอร์แท็กซี่เล่าก็อดชมในใจไม่ได้ว่าเป็นคนใจบุญแท้ถ้าเป็นคนอื่นนี่คงมีการต่อว่าด่าขานหรือมีปากเสียงกันบ้างคนขับรถแท็กซี่เล่าต่อว่าก่อนยซิมเดินเข้าประตูโรงเจแกหันมาบอกว่าแกเนี่ยไม่มีสตางค์มีแต่เลขหรือไปซื้อเอานะ มวดนี้ออก8 8 8แแล้วแกก็เดินเข้าไปในโรงเจผมก็ขับรถกลับพอเติมน้ำมันรถแล้วก็ส่งรถที่อูเ่เสร็จผมก็กลับบ้านอาบน้ำนอนแล้วก็เลยไปซื้อหวยผมเดาต่อโชอเฟอร์หัวเราะอย่างอารมณ์ดีก่อนจะเล่าต่อว่าตัวผมเองเนี่ยไม่ใช่คนเล่นหวยอะไรเคยซื้อนับครั้งได้พอตื่นขึ้นมาผมก็ออกไปช่วยเมียขายของตามปกติ แต่ว่าวันนั้นขายดีเพราะว่าคนจีนเข้ามาจ่ายตลาดกันจนเกือบเที่ยงคนที่รับหวยก็มาที่ร้านในตลาดติด ก, กันกับร้านที่ผมกับเมียขายของผมก็เลยรู้ว่าวันนี้หวยออกเพราะว่าพวกญี่ปั่วเดินโพยเขาจะมารับในวันนั้นผมนึกถึงเยซิมเมื่อเช้าที่โรงเจได้ก็เลยแทงเลขที่ว่าไป200บาทข้างล่างร้อยข้างบนร้อยตกตอนเย็นผมกาลังขับรถหาผู้โดยสารรถติดไฟแดงก็มีเด็กมาขายเรียงเบอร์ ผมจึงรู้ว่าผมถูกหวยสตัวงวดนั้นได้มาเกือบห้า0มื่นเลยนะแทงร้อยเดียวได้ตั้งห0 0 0 0ืนเลยเหรอผมถามข้างบน3มตัวเขาให้บาทละ5้าร้อยโดนหักค่าเปอร์เซ็นต์ให้คนเดินหวยตามธรรมเนียมได้มาจริงๆก็สี่0 0นกว่าเมียผมก็ยังแปลกใจคนไม่ค่อยแทงหวยแต่พอแทงปุ๊บถูกปั๊บเลยนี่แสดงว่าเยซิมนั้นมีเลขเด็ดสินะผมว่า รถมาถึงด่านเก็บเงินตรงทางขึ้นทางด่วนพิเศษโชเฟอร์แท็กซี่หยุดไปครู่หนึ่งเพื่อจ่ายค่าทางด่วนแล้วก็เล่าต่อว่าเด็ดสิครับสามตัวตรงเพลงไม่ต้องกลับยังครับยังไม่หมดแค่นั้นหลังตุดจีนเนี่ยผมแวะไปที่โรงเจนั่นไปถามหาเยซิมคนนั้นแมมจะไปขออีกงวดละสิใช่ไหมอ๋อไม่ใช่อย่างนั้นครับผมอยากจะเอาเงินไปให้แกใช้สักพสองพันค่าให้หวยผมเนี่ยครับ ไปถามคนในโรงเจว่ามีคนแก่ลักษณะแบบนี้อยู่ไหมเขาก็บอกว่าไม่มีนะผมก็มาถามร้านกาแฟาที่อยู่ตรงข้ามโรงเจเขาก็บอกไม่รู้จักผมก็เลยถือโอกาสนั่งกินโอเลี้ยงอยู่ที่ร้านนั้นแต่ว่าตอนที่นั่งกินโอเลี้ยงเนี่ยผมมองไปที่ข้างฝาร้านกาแฟาโดยบังเอิญเห็นรูปเยซิมคนนั้นใส่กรอบแขวนอยู่ผมก็ชี้ให้เจ้าของร้านดูบอกเขาว่าคนนี้ไงที่ผมถามหาเจ้าของร้านกาแฟาบอกว่าจาผิดคนแล้ว เจ้าของร้านกาแฟบอกว่ารูปนั้นเนี่ยเป็นรูปแม่เขาที่เสียชีวิตไปแล้วประมาณ20ปีแต่ผมก็ยังคงยืนยันว่าจําได้ไม่มีผิดแน่ผมถามเขาว่าคนที่เห็นในรูปน่ะขาเสียข้างหนึ่งใช่ไหมเจ้าของร้านบอกว่าใช่และผมก็เล่าให้เจ้าของร้านกาแฟฟังทีแรกเขาก็ไม่เชื่อผมก็เล่าให้ฟังอีกว่าแม่เขาเนี่ยมีลักษณะยังไงแต่งตัวยังไง คราวนี้เขาก็ทำตาแดงๆซักไซส์ผมใหญ่เลยว่าแม่แกเป็นยังไงดูสบายดีไหมผมก็เล่าให้เขาฟังอย่างที่เห็นผมมารู้จักเจ้าของร้านกาแฟว่าแม่แกเป็นคนใจบุญไปทําบุญถือศีลที่โรงเจตรงข้ามร้านนี้เป็นประจำคนขับแท็กซี่เล่ามาถึงตอนนี้รถก็เลี้ยวลงจากทางด่วนลงสู่ถนนวิภาวดีไม่นานก็แยกเข้าท่าอากาศยานภายในกรุงเทพแล้วคนขับแท็กซี่คนนั้นก็ไม่ได้พูดอะไรต่อ จนรถไปถึงท่าอากาศยานวันนั้นผมใช้เวลาเกือบสองชั่วโมงเดินทางจากถนนสีอายุทยาไปดอนเมืองน่าแปลกที่ไม่รู้สึกว่าเป็นเวลานานเลยสักนิดเดียวหลังจากตรวจตัวโดยสารแล้วก็รับบัตรที่นั่งเสร็จผมนั่งรอเวลาขึ้นเครื่องมองออกไปยังลานบินฝนยังตกปรยปรอยู่คิดถึงเรื่องที่คนขับรถแท็กซี่เพิ่งเล่าให้ฟังเรื่องจริงบางเรื่องก็ประหลาดเหลือเชื่อซะยิ่งกว่านิยาย